มีใครจะถามปัญหาไหมมีสักข้อไหมจะอาจได้สนทนาได้นะี้ให้สนทนาได้นะใครมีภา ร, ร ก, กับก่อนได้ใครจะฟังโดยสนทนาก็สนทนาได้ที่เราเคยศึกษามาเราอาจจะยังอย่างไม่ถึงในธรรม น, นะคะก็คือศึกษาว่า <c oughs> ถ้าทําอกุศลห้าอย่างในส่วนของปัญจานันติยกรรมเนี่ ย, ยคือจะส่งผลไปสู่ อบายทุคติวินิบาตนรกฝ่ายเดียวซึ่งไม่สามารถเข้าสู่กระแสคันท่าของการที่จะบรรลุมรรคผลอ๋อคือคอย่างนี้กรณีที่เราท่านทั้งหลายเคย ท, าทํามาตุกค่าใช่ไหมเคยฆ่าแม่เคยฆ่าพ่อเคยฆ่าพระอรหันต์ในสังสารวัตรที่ผ่านมาแล้วอีกอย่างก็คือว่าถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้นะพิจารณาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันเยอะๆและในส่วนจริงเราก็มาเข็นมาฆ่ากันอยู่เรื่อง ว่ากรรมเหล่านี้ตัดรอนไหมมีโอกาสนะหลายๆท่านเนี่ยบางทีไม่ทันได้บรรลุซะ ก, ก่อนกรรมเหล่านี้ก็มาตัดรอนเยอะแยะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นอันต ร, รายมากเขาเรียกว่ากรรมมันดา ร, รายนะอันต ร, รายคือกรรมแต่ว่าด้วยการที่เราท่านทั้งหลายมุ่งมั่นในกุศลที่แข็งแรงที่สุดจริงๆก็หนีทันก็คือปริญญาพานทันฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าขืนยังอยู่ในสังสารวัฏนี่นะคือตรงนี้ก็คือว่าเมื่อ เมื่อเราท่านทั้งหลายรู้กรรมแบบนี้แล้วให้เราท่านทั้งหลายเล่งควันควายเพราะว่าชีวิตที่จะเป็นต่อแต่นี้ไปนะมันเหลือน้อยฉะนั้นเมื่อน้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ต้องพยายามประเด็นแรกก็คือว่าจับพระธรรมให้ชัดก็หมายความว่ารีบดําเนินตามคําสอนที่ถูกต้องอย่าสเปสสะปะเนยเดี๋ยวมันจะลงที่หลงทางไปใหญ่ประการต่อมาเมื่อได้คําสอนของพระพุทธเจ้าจน เริ่มพยายามแน่ใจสอบถามครูบาอาจารย์สอบถามเลยเสร็จเสร็จแก็เดินถึงแม้ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ตั้งความเพียรพยายามที่จะระดมเนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมที่มันตามเขาบอกว่ากุศลกรรมกับอกุศลกรรมเนี่ยถ้าท่านอุปมาเนี่ยอกุศลกรรมเนี่ยเหมือนไอสุนัขสีดําตัวดํากุศลกรรมก็เหมือนสุนัขสีขาวไอสองอย่างเนี่ยมันตามให้ถ้าจะพูดกันโดยตรงก็คือตามเล่นงานทั้งู คำว่าตามเล่นงานคืออะไรตัวกุศลกรรมตัวอกุศลกรรมไม่ต้องพูดถึงได้ตัวสุนัขสีดํามันตามมาทันมันก็กัดเจ็บปวดทรมานที่สุจริงก็กัดจนตายใช่ไหมมันเขาถึงบอกบอกว่าตอนที่เราเกิดเนี่ยพอมาเกิดมาเบ็ดเสร็จเนี่ยเราถูกหลอกเหมือนเราถูกหลอกให้ไปเที่ยวในอุทยานบอกว่านี่ในอุทยานนี้สวยงามนะมีคนมาเชิญชวนเราแล้วก็ไอ้ตัณหานั่นแหละ แล้วก็มาเกิดแล้วก็รีบไปเที่ยวในอุทยานพอไปถึงในอุทยานเบียเศตเนี่ยไอ้ไ อ, โนน อ, อ, อ, อ้โจนคนที่สองมันก็คอยดักรออยู่โยนคนที่สองมันดักรออยู่ก็คือเหมือนความแก่มันก็เข้ามาทุบมันทบจนน่วมเลยแต่เนี้ยฟันก็หกักใช่ไหมผมก็งอกหนังก็เหี่ยวยวน่นคือมันมาทุบแล้วตอนเนี้ยไอ้คนที่สามหนักกว่าเดิมอีกเพราะไอ้ละใจคนที่สองไปแล้วเนี่ยคนที่สามไอ้เหมือนไอ้ตัวพยาธิไอ้พยาธิมันมาแทงอะไรเลย มาตัดมาแทงเลยเนี่ยนะหลังจากพ้นใจคนที่สี่นีสามนี่แล้วคนที่สี่ก็ตัดศีรษะเลยสรุปแล้วก็คือเราโดนหลอกมาตลอดที่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในโดนหลอกสรุปแล้วถ้าบุญให้ผลบุญให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็โดนหลอกบุญก็หลอกให้เราติดอยู่กับความเกิดติดอยู่กับความแก่ติดอยู่ความเจ็บไข้แล้วก็ในสุดก็ตายไปเห็นไหมตรงเนี้ย ไอประเด็นต่าง ๆ, ๆเนี่เขาเรียกว่าถูกหลอกบุญก็หลอกให้เราติดลูกติดหลานติดพ่อติดแม่ติดบ้านติดช่องแล้วก็ออกที่จะเจริญกุศลให้ตรงไม่ได้ก็ติดอีกเหมือนกันบาปไม่ต้องพูดถึงถ้าบาปนั้นถ้าบาปเบาๆก็เบียดเบียนไปเรื่อยๆแต่ถ้าบาปหนักๆก็เล่นหนักถ้าบาปประเภทหนักมากนี่ให้ผลตอนใกล้ตายนี่นะลงอาเวจีเลยลงเอเวจีเลยมันจะเป็นอย่างนี้ นั้นสัตว์โลกบางทีเนี่ยให้สังเกตโ ด, ดยทํากรรมในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่หนักนะแค่โลภะโทสะโมหะกุศ ล, ลกรรมเล็กน้อยแต่ไปบวกกับกรรมในอดีตเข้าให้มาบวกกับกรรมในปัจจุบันเลยกระทุ้งสแสดงเลยเนี่ยก็เลยกลายเป็นลงหนักไปเลยย่ีย้ตรงนี้ถึงบอกว่าชีวิตมันหวาดเสียวมันหวาดเสียวแบบเนี้ยมา่อมาพิจารณามาใข้ควรอย่างนี้ต้องต้องเข้าใจว่านี่นี่เป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าถามบอกว่า กรณีที่ท่างบอกว่ากรรมในที่นั้นน่ะท่านหมายถึงว่าท่านตัดเจตนากรรมใช่ไหมเพรากิเลสมันหมดเนี่ยก็ชื่อว่าหักเจตนากรรมไปด้วยกรรมที่เป็นกุศลด้วยเพราะกุศ ล, ลกรรมก็ให้ผลแก่ภพพระบรมศาสดาทิ้งหมดเลยเห็นไหมถ้าพระองค์จะเอากุศลที่ให้ผลแก่พบแก่ขันนิ่งมากมายมากจะต้องเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ คือบางครั้งเห็นเค่สังเกตว่าทำไมพระหมาบุตรจึงต้องทิ้งราชบัลลังก์ถ้าอยู่ก็เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเห็นไหมนะ่ะทิ้งเลยนั่นสมบัติของบุญเราท่านทั้งหลายเนี่ยบุญไอ้กรณีที่ทรั์ก็ดีบุตรก็ดีสามีภรรยาเงินทองทั้งหลายรัตนาชาติต่างๆอันนี้มันเป็นผลของบุญเก่าแต่ถ้าติดแค่ผลบุญตรงนี้ชีวิตมันจะไม่พัฒนาไปสู่ศิกขาสามไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ ต้องเอามาเป็นประโยชน์ต่อการที่จะขัดเกลาคือทําให้เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องทําหน้าที่ถูกเขาเรียกว่าทําจารีศีลให้ถูกปฏิบัติต่อคุณพ่ อ, อยังไงคุณแม่ยังไงปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์อย่างไรยังไงท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทําจิตของท่านดํารงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมอะไรก็ว่าไปตามหลักอันนี้ต้องทําด้วยกุศลจิตทําแล้วไม่ใช่ทาด้วยบาปไม่ใช่ทาด้วยความเครียดไม่ใช่ทํำด้วยวิตกกังวล อันนี้เขาเรียกจารีสีนมันแน่นถ้าจารีสีนไม่แน่นยังไม่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็ไม่ถูกปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ก็ไม่ถูกปฏิบัติต่อเพื่อนก็ผิดปฏิบัติต่อสามีต่อภรรยาต่อบุตรก็ผิดหรือปฏิบัติต่อบุตรหรือบริวารเบาะแสก็ผิดอีกไม่รู้จักฐานะหรือปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้าก็ผิดกรณีอย่างนี้ก็เรียกไม่มีจารีศีนฉะนั้นถ้าจารีสีนไม่ดี และปฏิโมกสังวรศีลจะเกิดยังไงคนที่ทําจารีศีลไม่ดีที่จะทําปฏิโมกสังวรศีลคือศีลห้าเป็นต้นเนี่ยให้บริบูรณ์ไม่ใช่ฐานะฉะนั้นก็ต้องให้เข้าใจว่ากุศลศีลเนี่ยก็ทําด้วยด้วยกุศลด้วยกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลทําด้วยความสุขแล้วทําแล้วในกุศลจิตเกิดในขณะที่ทําไม่ได้ทําตามหน้าที่แล้วทามันเครียดมันมีตกกังวลเนี่ยมันผิดตรงนี้ไงเพราะเราเดินเจตนาศีลกันไม่ถูก นั้นชาวพทุทธเนี่ยต้องปรับไม่กระทั่งพื้นฐานเพราะเราจะต้องขึ้นเดินสู่สิขาสาวไม่ได้งไงเข้าใจใช่ไหมนั้นพอเราเดินตัวปฏิบัติต่อพ่อแม่ถูกมันจะได้ปีติจากศีลนะโอ้ยท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบเนี่ยแล้วเราทําได้วยกุศลจิตรู้จักที่จะให้ท่านได้มีศรัทธาให้ท่านมีปัญญาให้ท่านมีสุตตะให้ท่านฟังว่าทำที่ถูกให้ท่านให้ทานให้ท่านรักษาศีลโอ้ยมันรู้สึกชื่นใจอะ่ะ ไม่ใช่พาท่านเข้าลกเข้าพงไปเที่ยวใช่ไหมทําให้ท่านเกิดบาปตลอดแล้วท่านก็ลงอบายสินี่เราก็ทําจารีศีลผิดอีกก็ทําให้ถูกเสียกับเพื่อนก็เหมือนกันกับอะไรต่างๆก็ตามฐานนะเมื่อเรามีพอจะแบ่งปันก็ทําตามฐานนะแต่ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจากจารีศีลเป็นวาริตะศีลก็ศีลห้าต้องชัดอกรณีอย่างศีลห้าเนี่ยบางท่านก็บอกว่าตรงนี้สําคัญคืออย่างนี้ จะทำยังไงเราคิดว่าสมาทานศีลปุ๊บมันจบใช่ไหมเช่นปานาติปาตาเวรามณีสิขะบดังสมาธิยมิแล้วก็จบไม่มีอะไรอธินนาธานากาเมีสุมิชามุสาแล้วก็เป็นสุราเมระยาจบเบสร็จก็ถือว่าเราจบแล้วเรามีศีลแล้วมันไม่ใช่เราเนี่ยขีดเส้นทางกันได้หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนถนนน่ยยอมเต้นหนึ่ง เส้นหนึ่งไปบางบัวทองเส้นหนึ่งไปทางอายุธยาเส้นหนึ่งไปมาลบบรุรีเส้นหนึ่งไปนครสวรรค์เนี่ยไปไปได้หมดเนะ่ยเส้นหนึ่งเข้ากรุงเทพเนะี่ยขีดเส้นทางได้แต่มันไม่มีรถวิ่งก็คือแค่เส้นทางไอ้ตัวเส้นทางก็คือสิขาบทคือศีลที่ทรงกล่าวไว้ไอ้ตัวรถคืออะไรคือสภาวธรรมคือศีลที่เกิดในใจในกระแสใจที่จะขับเคลือ่อนเนี่ยเหมือนรถที่วิ่งไปตามเส้นทางนะั้นเข้าใจไหม ตัวเจตนาที่งดเว้นเจตนางดเว้นจากบาป ท, ทางกายทางวาจาเป็นต้นที่เกิดขึ้นในใจตัวเจตสิกศีลคือสัมมาวาจานะตัววิรัตตัวสัมมาวาจาวิรัตเนะี่ยวิรตยสัมมากัมมันตะกัตคุวิรัตทางกายกรรมสัมม า, าชีววิรัตทางอาชีพให้บริสุทธิ์อนัพิชาคือความไม่โลภเป็นศีล น, นะไม่ใช่ว่าหัวรักษาศีลแต่โลภ ความโลภเกิดเนี่ยศีลไม่มีแล้วตอนนั้นทุศีลแล้วเป็นอกุศลศีลแล้วความโกรธเกิดขึ้นเน่ยตอนนั้นศีลไม่เดินแล้วความหลงเกิดขึ้นเน่ยกุศลศีลไม่เดินแล้วอย่าไปเข้าใจว่าศีลมีตอนนั้นไม่มีแล้วฉะ น, นั้นตัวกุศลศีลม claro. ันได้แก่กุศลจิตไม่ไม่ใช่อกุศลจิตถ้าอกุศลจิตเกิดขึ้นเขาเรียกภาวะของความทุศีล ทุกแปลว่าไม่ดีศีลไม่ดีก็ เ, เรียกอกุศลศีลไม่ควรเจริญศีลประเภทแบบนั้นเป็นอกุศลจิตฉะนั้นต้องปุศโละจิตเกิดแล้วมีเจตนาเครื่องงดเว้นนั่นก็เรียกตั้งใจทีนี้พอไปจะทำยังไงให้ศีลแข็งแรงก็เหมือนรถเนะ่เราได้จะมีแต่เส้นทางแต่ไม่เคยวิ่งหือ่อรถก็ไม่เคยขับบอกมีศีลไม่มีแล้วมียังไงเกิดยังไงเดินยังไง เวลาศีลเกิดขึ้นในใจเกิดยังไงไม่รู้ออกมาทางกายทางวาจาไงไม่ทราบอย่างนี้มันเป็นอย่างเนี้ยทีนี้มันเกิดยังไงศีลนะศีลเป็นนมามธรรมเรานั่งที่เก้าอี้เก้าอี้เป็ น, เ ป, นเป็นวัตถุนี้เน่ยวัตถุแห่งอธินาทานใช่ไหมเนี่ยวัตถุแห่งอธินาทานทั้งหมดแล้วเป็นวัตถุแห่งผิดข้ออื่นด้วยเลยเป็นวัตถุแห่งปานาติบาตก็ได้ ถามว่าบางครั้งมดมาจากบนนี้เราฆ่ามดตายบนก็ยี่มีไหมเป็นวัตถุแห่งปนาติบาศก็ได้เป็นวัตถุแห่งกาเมสมิชัยจารก็ได้บางคนไปประพฤติผิดเยอะแยะเป็นวัตถุแห่งมูสาวาตได้ไหมรักไปแล้วเนี่ยเอาไปแล้วถือไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เอาก็มีส่อเสียดก็ได้คําอยากก็ได้เพ่อเจอเป็นวัตถุแห่งความโลภ ก, ก็ได้เป็นวัตถุแห่งความโกรธก็ได้เป็นวัตถุแห่งความหลงก็ได้ เห็นไหมกรณีาการที่เกิดความตึกคิดขึ้นมาที่จะเป็นบาปเจตนาชั่วที่เกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วไอ้ตัววิรัติใช่หไหมเวรเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการลักแห่งการฆ่าแห่งการประพฤติผิดแห่งการพูดเท็จเกิดขึ้นปุ๊บเกี่ยวกับปารบเก้าอี้และตัววิรติก็มาตัดรอนในใจปุ๊บกุศลก็เกิดขึ้นว่าไม่ควรแก่เราทุกครั้ง การค่าควรแต่ละค้างอย่างนี้เขาเรียกว่าฝึกให้ศีลมันเกิดไม่ใช่รอให้มันเกิดเราเนี่ยรักษาศีลแบบว่าต้องไปผจญกับมันให้มันเห็นถึงเกิดที่จริงมันเห็นอยู่ทุกเวลาเลยเข้าใจไหมเนี่ยมันเห็นตลอดวัตถุทุกชิ้นบุคคลทุกคนเป็นวัตถุแห่งการละเมิดศีลขาบทได้หมดถ้ามามองเห็นพวกเราแล้วไม่เห็นกุศลศีลก็มาเนี่ยมายุ่งเนะเอามาจะทุศีลตลอดเลยนะ แต่อามามองพวกเราเนี่ยมาจะต้องสามารถทําให้เกิดกุศลศีลได้ทุกข้อใช่เป็นวัตถุแห่งการที่อามาจะกล่าวเท็จก็ได้เป็นวัตถุแห่งการที่อามาจะอวดอ้างคุณไม่มีอยู่ในตนก็ได้เป็นวัตถุแห่งการที่อามาจะโกหกก็ได้เป็นพูดเท็จก็ได้ส่อเสียดก็ได้คําหยาบเพ้อเจ้อก็ได้หรืออามาแกล้งหลอกลวงอาชีพตนเองเป็นต้นก็อีกเยอะมากฆ่าก็ได้อะไรก็ได้เยอะแยะประพฤตผิดก็ได้ ผููจาโอโมบดีโมรโมเพื่อต้องการสักการะก็ได้ซึ่งมันจะผิดศีลหมดเลยซึ่งถ้าอมาังวดเว้นได้มันจะเกิดปลาโมดเราศีลของเราเกิดแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะศีลของเราบริสุทธิ์เนาะเราได้เนยได้เดินกุศลศีลมีเจตนาศีลเจตสิกสังวรอวิธิกรรมะกดขึ้นแล้วนี่เนได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแล้ว เดินอยู่บนสิขาสามแล้วไม่ตกจากเรืออริยมรรคของพระเจ้าแล้วที่พระเจ้าบอกว่าทางนี้เป็นปฏิปทาแห่งความพ้นทุกข์ก็เข้าใจไข้ควรทุกๆเรื่องไปอย่างเนี้ยถามว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้ศีลจะแข็งแรงได้ไหมคนเราเนี่ยคนอ่อนแอคือไม่ออกกําลังใช่ไหมแล้วศีลไม่ออกศีลไม่ได้ออกเดินออกไข้ควรอย่างเนี้กุศลศีลจะแข็งแรงไหมกิเลสก็แข็งแรงแทน โลภะก็แข็งแรงโทสะก็แข็งแรงโมหะก็แข็งแรงใช่ไหมมานะก็แข็งแรงขี้โกรธยังไงก็ยังขี้โกรธอย่างนั้นเนี้ยเอฟเป็นไปได้ยังไง ร, รักษาศีลมันจะต้องเมตตาแข็งแรงสินี่ทำไมมันเกิดความรู้สึกอย่างนั้นได้พอจะมองเห็นหรือยังใครเคยเดินศีนแบบนี้ไหมหรือเวลาไปรักษาศีลปุ๊บมันจบที่รักษาไหมหรื อ, อยังไง ยอมยอมเคยใคร่ควรให้เกิดไหมเคยไหมคิดให้เกิดอ่ะคิดให้การงดเว้นจากการฆ่าเกิดได้เมื่อเมื่อปลาเมื่อเห็นสิ่งนี้คิดให้การงดเว้นจากการลักเกิดได้คิดให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมเกิดได้คิดในการที่จะไม่ไม่ร่วงละเมิดก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดทำอย่าเพื่อเจือได้ แล้วก็ไม่เป็นเหตุแห่งการไปดื่มสุราเมีอะไรแล้วก็ไม่ไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ปัญญาเกิดได้ยากไหมถ้ารักษาศีลนี้ยากไหยถ้าใครควรเป็นก็ไม่ยากเจ้าค่ะนัะตรงนี้อ่ะต้องเอาไปสอนไปบอกกันจะได้ฝึกได้ปูพื้นฐานให้เป็นแล้วเราจะได้มองทุกอย่างมันเป็นกุศลศีลได้อย่างเนี้ยเนี่ยดอกไม้เป็นของมีเจ้าของไหมมีไหม มีเจ้าของใช่ไหมเป็นเหตุของอธินาทานได้ไหมเมื่อเราไม่ทําอธินาทานเราปาลบได้ไหมนอกจากอธินาทานแล้วเป็นเหตุแห่งกาเมได้ไหมเนี่ยเอาไปมอบให้อีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมไปพืชผิดกาเมก็ได้เนี่ยโอ้วันนี้ซื้อดอกไม้มาฝากคุณนะเอาอะไรแต่เนี่ยเริ่มพูดโกหกอีกมาคิดถึงคุณทุกล้มหายใจเลยนี่ <c oughs> บาปจะเกิดอีกเยอะเลยะใช่ไหมมันจะไปอีกเยอะหมดเลยกระทบไปหมดทุกข้อเลย เราจะเห็นโอ้ยเราไม่ละเมิดสิขาบทเลยเนี่ยเราก็คิดไปที่ไข้ควรวนไปดีไม่ใช่รักษาศีลแบบเพื่อเจอิคิดแบบกุศลเนอะคิดแบบกุศลถ้าอย่างเงี้ยกุศลเดินถ้าอย่างนั้นเราจะรักษาศีลไม่ได้เลยเนะศีลจะแข็งแรงไม่ได้เลยมีแต่อกุศลมาออกกำลังกายแทนอยู่เรื่อยเลยมันก็แข็งแรงในกระแสใจเห็นปั๊บโอ้โหวสวยจังอะไรออกโลภเห็นไหม หงุดหงิดเหลือเกินเราไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์เนี้ยแล้วพูดเพื่อเจอมาสารพัดเนี่ยทั้งหูแต่นี่วัตจีกับทุจรรตกายกับทุจรรตแล้วศีลอยู่ตรงไหนเห็นไหมว่าวัตถุชิ้นใดใครวิจัยศีลได้ฝึกจาก น, น้อยๆไปแล้วก็ใข่ควรไปเรื่อย ๆ, ๆเดี๋ยวก็ได้แต่ต้องมาคุยกันบ่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าล้องอีกใช่มเยไปอีก ทั้งนั้นจะตรึกไม่เป็นในเรื่องกุศลศีลเนี่ยถ้าศีลไม่แข็งแรงบางคนเนี่ยรีบไปแล้วไปเข้าห้องกรรมฐานถามว่าจะรีบไปไหนรีบก็หกหมดก็กุศลศีลมันแตกมันจะไปตั้งยังไงสมาธิและปัญญาก็คุณจะปลูกบ้านปลูกตึกหลังเนี้ยถ้ามันไม่มีฐานเนี่ยจะปลูกลอยบนอากาศได้ไหม กุศลศีลไม่มีเลยแต่จะไปนั่งสมาธิแล้วทําปัญญาให้เกิดเนี่ยนู่นแหละฝันจนดินถล่มฟ้าถลายก็ไม่ได้บรูหลหรอกแล้วมันเรื่องจริงเป็นอย่างงั้นนี่เราเนี่ยมันไม่ถูกปูพื้นฐานกุศลศีลต้องดีต้องแข็งแรงและในขณะที่ฝึกกุศลศีลเน่ยสมาธิมีด้วยไหมปัญญาก็มีด้วยเขาเรียกสิกขาสามมันเดินระดับศีลแต่ศีลเป็นประจานศีลสมาธิปัญญามันเกิดมันครั้งหน้มาจะใช้เับพูด นั่นเป็นเรืนียแต่ว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ต้องการสื่อว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันทําไม่ได้เอาเนี่ยจะให้ยมส่วนเข้าไปนั่งกรรมฐานเลยทีเดียวทั้งๆที่ศีลยังไม่แข็งแรงจะไปนั่งยังไงที่สุดก็ไปฟุ้งนะแต่มันก็เลยไปเขาห ม, หมู่มากไปกันก็เลยไปยงไงก็ตามเหหะ ก, กันไปนั่นแหละแล้วก็จับประเด็นไม่ได้สเปะสะปะเอาเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้กลับมา เขาก็แอบดินทาที่หลังอะไรรู้แม่เนี่ยเข้าวัดมาตั้งสิบกว่าปีขี้บนหนักกว่าเดิมนี่นะมันก็ไปน่ะฉันกุศลศีลมันก็พังแล้วมันเป็นพ่ออะไรทำไมขี้โกรธใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธถ้ากุศลศีลแข็งแรงความโกรธไม่เกิดไงถ้าความโกรธมันทำลายศีลเนี่ยตัดรากของศีลหมดแล้วศีลก็ไม่เดิน มันเป็นปฏิปักษ์กันอยู่แล้วเป็นไปได้ไงคนเข้าวัดส0มสิสี่สิบปีแต่เป็นคนว่าไม่ได้เลยความอดทนไม่มีสักนิดเลยจุกจิกด้วยจู้จี้จด้วยขี้บ่นด้วยแล้วเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะอันเป็นไปได้ไงอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่ากุศลศีลไม่เดินพอจะมองออกไหมใครไม่เข้าใจถามมันสำคัญมากนะพื้นฐานเลยนะเนี่ย เป็นการปูพื้นฐานแล้วเราจะได้รักษาศีลเป็นเอาเลยใครจะถามถามเลยเนะี<ช>่ย อ, อยากถามอีกข้อน<ช>คะคะ<ร>คือในแวดวงปฏิบัติเนี่ยเรามักได้ยินคำที่กล่าวว่าต้องล้างสัญญานะถึงจะเจริญวิปัสสนาได้อันนี้คืออย่างนี้นะคำาเดียวแค่นี้ฟังได้เลย ค, คืออย่างนี้ สติเนี่ยนะจำไวล้ลักษณะของสติเหตุใกล้ของสติปฏิฐานะเหตุใกล้ของสตินั้นนะ่ต้องมีสัญญาที่มั่นคงถึงจะเป็นเหตุใกล้ของสติถามว่าถ้าเป็นล้างสัญญาซะแล้วสติปฐานจะเกิดยังไงอันนี้ทำลายคำสอนคำาเดียวคำนี้ทำลายคำสอนตูมเลยที่เ้าเรียกว่าทำลายพุทธประสงค์แล้วก็ยังมีกล่าวว่าไม่ต้องเรียน โอ้ยี้ยิ่ไปแล้วแต่งั้นมื่อไอย่าไปกังวลไม่ต้องเรียนไปปฏิบัติเอางี้เวลาพระบรมศาสดาตรัสสอนปัญเอตรัสสอนปัญญาวิีทั้งห้าใช่ไหมพระเจ้าก็บอกว่าเอวเมสุตังเอกอั้กงสมัยังปักวานิพ่านนวนกล่าวก่อนใช่ไเอกเอวเมสุตังเอกองสมัยังปักวานารานสิยังวิหารตี อิสิปตะเนมิกกดาเยตัตตะโคบะควาปัญจาวาคีเยภิกขุอามันเตสีพระพุทธพจน์จะบอกว่าไงโดยเมพิกกเวอันตาปะปิเตนนาเซวิตาพากัตเเมทุเวเนี่ยเป็นต้นไปตามลำดับเนี่ยถ้าถามว่ายาวมาก ทำมาจากกับประวัฒนาสูตรกว่าจะจบนี่นะกล่าวถึงอริยสัจเห็มไหมกล่าวถึงทุกขสัจจะกล่าวถึงสมุทัยสัจจะกล่าวถึงมรรคสัจจะกล่าวถึงนิโรธาสัจจะกล่าวละเอียดละอเลยเงี้ยใช่เรียนไหมนั้นถ้าปฏิเสธปริยัติก็คือปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาตรัสว่าโยโวอานันทะเป็นต้นบอกดูก่อนอานนท์ทำและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วปัญญัตโต้อะ บัญญัติแล้วทำโมจะวินิโยจะเนี่ยทำแรวิไนที่ตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วก็คือพระไตรปิฎกแปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์นี่ไงคือพระธรรมวินยัยนี่แหละว่าเมื่อพระศ า, าสดาปรินิพพานล่วงรับไปแล้วดับขันธ์ไปแล้วแต่พระธรรมวินัยแปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์นี่แหละจกเป็นพระศ า, าสดาแปดหมืสี่พันองค์ทํากิจแทนเรา นี่ปริยัติไหมเนี่ยถึงบอกเราไม่รู้ก็ยุ่งถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนเราเกิดมาอุ้แะให้ไปนั่งหลับตาบรรลุได้ไหมก็เป็นลือสีเป็นชีภัยไปไปเป็นนักบวชพระภัยละนัลทีไปนั้นถ้าใครปฏิเสธปริยัติชื่อว่าปฏิเสธพระพุทธเจ้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าเพราะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในไหนในพระวินัยยบีดกตรัสไว้เลยนะหรือเตอตรัสไว้ในมหาปรินิพานสูตรก็ไปแล้วในพระวินัยยบีดกท่านก็ามาขยายชั้นพระธรรมกถาดีกาก็ช่วยขยายให้ชัดเพราะท่านรู้พุทธะที่บายบอกว่าตถาคตปรินิพานเป็นหนึ่งแต่พระพุทธเจ้า 84% ดหมี่ันพระองค์ก็สรุปแล้วว่าทุก หนึ่งทุกธรรมขันธ์คือพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นต้องการจะชี้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าคนที่จำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่ต้องต้องจำเป็นนะไม่ใช่จำไม่เคารพถ้าเรียนแบบอลากทูปริยัตเรียนด้วยตัณหามานาทัทิถิตก็ผิดมันผิดสองประการไงเรียนผิดกับไม่เรียน เรียนผิดคือเรียนด้วยตัณหาเรียนด้วยมานะเรียนด้วยทิฐิก็ไปยึดพระพุทธเจ้าผิดแล้วก็ยึดด้วยความอวดด้วยความอ้างอันนี้ผิดสอง Mr. ไม่เรียนก็ไม่รู้จักพุทธเจ้าทั้งสองกลุ่มเนี่ยผิดทั้งคู่นั้นเวลาจะเรียนเนี่ยต้องเรียนด้วยศรัทธาเรียนด้วยปัญญาเรียนด้วยวิริยะเรียนด้วยสติเรียนด้วยสมาธิเรียนด้วยอินทรีย์ห้าเรียนด้วยความเคารพแล้วนี่แหละ พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและจะคอยเฝ้าพร่มสอนเธอทั้งหลายตลอดเมื่อนําเธอมุตรเอามาไปบิน บ, บาตเอามาจะจับบาทถือบาทเดินพระพุทธเจ้าก็ต้องพร่มสอนว่าควรมณสิการอย่างไรควรรับบาทอย่างไรจะเดินออกจากประตนะูจะเปิดประตูต้องวางบาทก่อนเนี้ยไม่ควรจับบาทมือเดียวยังไงอย่างนี้เป็นต้น ก็ก็วางอย่างนี้แล้วก็เปิดประตูแล้วก็มาอุ้มบาทสมมุติอย่างนี้แล้วในขณะที่เดินเนี่ยสายตาอยู่ในระว่างไหนอย่างไรหรือมา่รับบาทอยู่ทรงมองทอดลงในบาทสายตามองแรในบาทอย่างไรนั้นในข้ออย่างนี้คือเป็นข้อของกุศลศีลเมื่อกำลังทาไปอย่างนั้นนะ่ะปราโมทย์มันเกิดปีติมันเกิดปัสัตทิความสุขสมาธิปัญญาเกิดศึกษาไง ภิกษุพึงทำการศึกษาว่าพึงทำการเดินสิกขาสามในขณะที่เดินบินธบาทในขณะที่ถ่ายอุจละในขณะที่ถ่ายปัสสาวะในขณะที่ฉันอาหารเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาหมดนะี่ที่ลังกาเนี่ยในยุคหลังเนี่ยอาสนะที่โยมก็าปูถวายพระให้นั่งฉันอาหารพระนั่งฉันอาหารบรรลุเป็นพระลหันแทบทุกอาสนะ ทั่วลังกาทวีมันในยุคนนัน้นเห็นไหมเขาบรรลุ ก, กันได้ด้วยการวิจัยด้วยการค่อยค้นด้วยการพิจารณานี่ไงเขาเรียนด้วยความเคารพเขาคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เรียนเลยจกรู้อะไรจะรู้ยังไงว่านี่ศีลเอารู้ได้ยังไงเพราะคนที่จะตัดทะรู้เองคือพระพุทธเจ้าแต่ต้องสร้างบา ร, รมีมายี่สิบประสงค์ขัยแล้วตนเองไม่เคยทําบา ร, รมีมาเลยเอาอะไรไปคิด แต่อย่าไปคิดนอกคำสอนแค่นั้นเองังน้นการปฏิเสธการเรียนก็คือปฏิเสธพระพุทธเจ้าปฏิเสธพระธรรมปฏิเสธพระยาสงเป็นการปฏิเสธศิกขาสามซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่ควรลสําหรับชาวพุทธถามว่าถ้าปฏิเสธนี่ท่านผู้นั้นรู้จักพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าไหมหรือเอาคําของใครมาพูด หรือท่านพวกนั้นก็ถ้าไม่เรียนพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าการห่มจีวรเนี่ยพุทธเจ้าสอนไว้ในไหนในพระไตรปิฎกใช่ไหมแล้วทําไมคุณห่มจีวรเป็ น, นก็เพราะพุทธเจ้าบอกให้ห่มแบบนี้อาะทาไมใช้จีวรแบบว่าเออจีวรเนี่ยจะต้องมีห้าขันเจ็ดขันเนี่ยเก้าขันสิบเอ็ดขันอะไรอยงี้แล้วจะต้องมีการตัดทุกชิ้ น, นใช่ไหมยอย่างนี้เป็นต้น และจีวร น, นั้นจะต้องมีรังดุมลูกดุมยังไงเนียการนุ่งห่มจะต้องปิดมณฑลบนข้างบนยังไงอย่างเงี้ยนะจะต้องไม่ให้เป็นอาบัติอย่างไรเนี่ยเป็นต้นเนี่ยไอ้ ก, กรณีอย่างนี้กล่าวไว้ในพระธรรมถ้าไม่ทําตามก็คือทุศีเนะี่ยก็คือทุศีเนะี่ยแล้วแล้วถ้าไม่เรียนเราจะรู้ไหมเนี่ยถ้าไม่ไม่ฟังพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องบอกทุกเรื่องแม้เรื่องศีลพื้นฐานใช่ไหมปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ เป็นจารีศีลแล้วสูงขึ้นมาเป็นวาริตศีลแล้วก็พัฒนาเป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างไรถ้านต้อบอกว่าบุคคลที่ไม่มีไม่มีข้อวัดหรือจารีศีลเนี่ยไม่ทําจารีศีลให้บริบูรณ์นั้นเน่ยจะทําปฏิโมกสังวรศีลศีลห้าเป็นต้นให้บริบูรณ์ไม่ใช่ฐานนะเอาละศีตเนี้ยอันนี้ใช่เรียนไหมถ้าไม่เรียนจะรู้ไหมเนี่ย และถ้าหากว่าปฏิโมกข์สังวรศีลไม่บริบูรณ์เนีสมาธิปัญญาจักบริบูรณ์ก็ไม่ใช่ฐานนะเมื่อศิกขาสามไม่บริบูรณ์จะพ้นทุกข์ได้ก็ไม่ใช่ฐานนะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะถ้าเป็นไปได้ก็แย้งสพัญุตยามซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเข้าใจคําสอนอย่างนี้ชัดเสียจะได้แต่เรียนแค่ไหนฟังแค่ไหนสําหรับอุบาสกอุบาสิกานั้นต่างหากแต่ถ้าไม่เรียนเลยเนี่ยมีแต่ ไม่ใช่เจ้าด้วยนะใช่ว่าคำว่าเจงไม่ใช่เจ้าเนะ่ยเขาเรียกเจงไอ้เจ้าเนี่ยมันเสมอตัวใช่ไหมคืออย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติธรรมะที่ผิดไปดูในเอกานิบาตถ้าฉบับของมหามกุูดน้เล่มที่สามสิบสามถ้าไปปฏิบัติธรรมะที่ผิดประพฤติธรรมะที่ผิดแท้จริงสับในธธรรมะท่านบอกถ้าประพฤติธรรมะที่เลว ท่านใช้อย่างนั้นเอามาเลยมาแปลนิดนึงจะได้ไม่ดูแลนไปคือถ้าปฏิบัติธรรมะที่ผิดหรือว่าท่านใช้คําว่าเกียดติค้านดีกว่าคิดเกียรติบอกไม่เอาแล้วเกียรติค้านที่จะไปปฏิบัติแบบนี้ดีกว่าดีกว่าไปขยันในธรรมะที่เล็วอย่างนี้มันพากันขยันลงอบายทุกติวิบัตินรก ท่านถึงบอกให้เกียรติค้านเข้าไว้ในธรรมะที่มันไม่ถูกแต่ถ้าธรรมะที่ถูกท่านห้ามเกียรติค้านท่านให้ปรารถนความเพียรในธรรมะที่ที่ดีธรรมะที่ประเสริฐเห็นไหมอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนถูกกันไหนผิดเว้นแต่การศึกษาพระคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่เพราะจะเอาบุคคลมาตัดสินได้ยังไงต้องเอาพระพุทธเจ้าเอามาเนี่ย อมาตศิลป์นะอามาตศิลป์น่อย่าเชื่อแต่ถ้าอามาบอกว่ามีในพระไตรปิฎกเล่มนั้นสูตรนั้นว่าอย่างเนี้ยไปดูเลยดูอ๋อจริงอย่างท่านว่าเอออย่างนี้จริงอย่างนี้เป็นต้นอามาบอกว่าคนเดี๋ยวนี้เชื่ อ, อยากอาจารย์คะในวงการปฏิบตัติหรือว่าวงการธรรมะเราปัจจุบันเนี่ยนะคะ ในแง่ของการศึกษาและในแง่ของการใกล้ครวนในธรรมแนวแนวทางที่พระอาจารย์ชี้แนะเนี่ยมีบุคคลไหนบ้างที่ทำแล้วสำลิตผลใ น, ตในทางปฏิบัติหรือในทางปฏิเวทก็ตามนะพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดปฏิบัติแล้วได้ผลหมดเลยตรงนี้พอเข้าใจทีนี้ประเด็นถามบอกว่า ในแนวทางคําสอนของพระบรมศาสดาที่ตรัสไว้เนี่ยทุกยุคทุกสมัยก็ต้องทําตามคําสอนหมดเลยถึงบอกไงบอกว่าจริงๆแล้วมีอยู่คนที่เขาเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยแต่โดยมากเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะไม่ค่อยมาอยากจะมีชื่อเสียงแล้วมันเป็นความยุ่งยากของท่านบุคคลเหล่านี้ต้องหลบอย่างเดียวคือตอนนี้การเผยแผ่ธรรมในแง่ของการศึกษาธรรมในแง่ปริยตัตเพื่อที่จะนําสู่การปฏิบัติเนี่ย ค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็ลําบากอันเนื่องมาจากว่าสังคมการปฏิบัติข้างนอกเนี่ย<อ>เขาพยากรกำพรึ่มพรึ่ ม, มคนนั้นเท่านั้นคนนี้เท่านี้แต่พอเราพูดถึงในแง่การหลักปริยัติเพื่อการปฏิบัติก็กลายเป็นว่าคุณมัวแต่ไปศึกษาปริยัติก็ อ, อ, อ, อย่างนี้ก็แล้วกันว่าในกรณีอย่างนี้ว่าหนึ่งให้ให้ทําความเข้าใจว่าสิ่งที่ สิ่งที่ไม่ถูกย่อมมีมากกว่าสิ่งที่กว่าสิ่งที่ถูกอยู่แล้วนี่ประการหนึ่งวางใจให้เป็นประการต่อมาก็คือว่าในชั้นคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยมันจะวัดได้คือมันจะมีผลตอมตามสมควรแก่กผู้ปฏิบัติถ้าถามว่าถ้าเราเรียนกันถูกเรียนถูกด้วยนะเจ้าค่ะป่านนี้ผลการปฏิบัติไม่เป็นแบบนี้มันเหตุผลก็คือแม้การเรียนของพวกเราก็พลาดแล้วต้องยอมรับ ก็เลยเป็นเหตุให้ฝ่ายที่ไม่ยอมเรียนมาโจมดีเช่นการเรียนไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาอันนี้เสียอีกใช่ไหมอามาถึงบอกแในที่แรกไงว่าอารักาโทปริยักษ์การเรียนประดุดดังจับงูพิษทางหางคือเรียนด้วยราคะคือความกำหนัดคือความยินดีคือความเพลิดเพลินเพื่อลาบสกาละเสียงสารเสลดเย็นยอเกียติยศชื่อเสียงใช่ไหมเรียนเพื่อตัณหามานะเรียนอวดอ้างเย่อหยิ่งถือตัว เรียนด้วยความเห็นผิดเห็นผิดว่าเมื่อเรียนอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วจะได้รับการยกย่องเชิดชูทั้งหลายไอ้ตัณหามานะทิฐิเหล่านี้เลยเป็นตัวเชิดชูกระแสะใจของบุคคลแล้วเราก็มาระดมสอนกันพอสอนเบ็ดเสร็จแล้วก็เลยทําให้คนเนี่ยได้รับทิฐิที่ผิดพอรับทิฐิที่ผิดไปก็เลยมานั่ น, นก็ไปตําหนิเขาที่ปลายปฏิบัติว่าไอ้ไม่เรียน ไอ้ฝ่ายไม่เรียนก็บอกดูเรียนแล้วไม่เห็นไปไหนยังโกรธยังทะเลาะบอแวงกันสรุปแล้วอามาจะให้คะแนนยังไงนะเราก็ต้องดูว่ากลุ่มที่เขาศึกษาถูกมีไม่ใช่ไม่มีอามาก็อยู่ในวงการของการศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรรมและอย่าไปแยกถ้าใครไปแยกปริยัติออกจากปฏิบัตินั้นแปลว่าไม่เข้าใจปฏิบัติ ใครไปแยกปฏิบัติออกจากปริยัติก็แปลว่าไม่เข้าใจปฏิบัติกันใช่คือไม่เข้าใจว่าจริงๆปริยัติกับปฏิบัตินั้นเป็นคำเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเลยเอาเป็นสิ่งเดียวกันยังไงเพราบรมศาส์ดาเทศน า, า, า, าจบปุ๊บแล้วบรรลุ ป, ปุ๊บเป็นอันเดียวกันหมเอาเวลาเทศนาอาทิตตปริยาาัสสูตรจบปุ๊บชดินหนึ่งพันพร้อมในบริวาร ปริวานเทดินป้อนปริวานหนึ่งพันได้บรรลุหมดเลยอันนี้ใช่อันเดียวกันไหมเนี่ยฉันบอกปริยัติที่เข้าสู่กระแสใจเบีดเสร็จ เ, รเขาก็ประชุมสิกขาสามเดี่ยนะ้นั้นแปลว่าอุคติตันยูนั่นคือวิปจิตันยูอย่างนี้เป็นต้นแต่กลุ่มอย่างเราในยาทั้งหลายเนี่ยต้องเอามาเคี่ยวมาเข็ยนใช่ไหมคําสอนเนี่ยต้องเอามาใคร่ควรเอามาไข่ควรบ่อยๆตรึกบ่อยๆวิจัยบ่อยๆปฏิบตัติถึงบอกว่าแล้วการปฏิบัติคืออะไร ถ้าไม่ใช่วิจัยเอางี้คิดว่านั่งหลับตาแล้วพุโทโธพุโทโธแล้วมันจะพุ่งเซบโลเองได้เลยมันเป็นไปได้ไหมมันไม่มีข้อมูลใดๆเลยเนี่ยเราหลับตาแล้วพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเดี๋ยวมันก็จะสว่างโล่งเองเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแต่ถ้าเป็นโดยข้อเท็จจริงเนะี่ยมันไม่ได้แต่ถ้ามีข้อมูล thì มันได ถ้าถามว่าอย่างเราคําว่าพุโทโธคําเดียวลองๆองดีพัลณาพุทธคุณมานี่นไงพุโทโธแต่ใครจะคิดได้ดามปัญญาของแต่ละบุคคลคิดแล้วประชุมศรัทธาให้เดินไหมถ้าท่านกล่าวไว้ว่าศรัทธาเกิดปลาโมดปีติปัสสติความสุขและสมาธิเดินได้แล้วก็สงบระงับบาปอากุศลได้บาปอากุศลมันหายไปจากใจได้ไอกรณีอย่างนี้ท่านต้งเดินไปปรัชนาต่ออย่างนี้เป็นต้น นี่ก็แปลว่าต้องเข้าใจตามกระบวนการของคาสอนนะนี่เป็นอย่างนี้ถึงบอกไงบอกว่าถ้าชั้นของกุศลลศีลไม่ดีไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยถ้าเราได้สัมผัสทั้งสองฝ่ายในฝ่ายที่เรียนผิดกับฝ่ายที่ปฏิบัติผิดเนี่ยก็ถ้าถามบอกว่าถ้าเรียนผิดเนี่ยมีโอกาสปรับผิดให้ถูกได้ง่ายกว่า พอมีข้อมูลแต่ปฏิบัติผิดนี่ปรับแล้วยังจะต้องมาเอาข้อมูลปริยัติใจให้โอ้โหเหนื่อยมากเข้าจใจยังฉะนั้นถึงอย่างไรน่ะเกาะปริยัตยังดูดีกว่าทั้งเยอะเห็นไหมเนี่ยทั้งๆ ท, ที่เรียนผิดเนี่ยนะแล้วไม่ปฏิบัติไม่เป็นหรอก เ, อ เ, ร, เรียนเรียนจําอะไรกัเข้าไปแต่แต่มันมีข้อมูลไงเพียงแต่ไปบอกคุณเดินจิตผิดนะคุณปรับความรู้สึกให้เป็นเอาสิ่งที่พอจําได้มาไข้ควรใหม่ ใครควรให้เป็นกุศลศีลให้เป็นสมาธิเป็นปัญญาเออยังพอแก้ไขได้เร็วแต่ถ้าบอกปฏิบัติผิดมาตั้งสามสิบสิบปีแล้วสมมติอ้าวเลยปัญญาทศกาไว้แล้วยุ่งแล้ะหลงหลงเดืมๆืมแล้วไปไม่เป็นแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วมิจฉาทิฏฐิกินมาตั้งนานทำไงเนี่ยแก้ไม่ได้อีกนี่ความเห็นผิดเนี่ยแก้ยากกว่ายาเสพติดยาเสพติดเนี่ยแก้ง่ายกว่าตั้งเยอะ แต่คนไปติดความเห็นผิดเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงอาจจะแก้ยังไงอ่ะเพราะมันเป็นความเห็นที่ถือถ้าไปถือตรงนี้ผิดใช่ไหมล้วบอกอย่าไปจับตรงนี้มันก็ไปจับอย่างอื่นเดแต่มันเอาทิฏฐิตัวเก่าไปจับอ่ะเอาบอกอย่าจับตัวนั้นมันผิดเองเอาไปทิฏฐิตัวนี้บ่าคุณถอนล่าทิฏฐิถอนออกมาแล้วปัญญาจะหายไปเขาเขาถอนออกไม่ได้มันยึดที่เขายึดยกตัวอย่างเช่นว่าเอายอมไปกินอาหาร ติดอาหารโห อ, อาหารนี่อร่อยอาหารนี่อร่อยจริงๆแม่จริงๆติดจริงๆคือติดอะไรไหมติดกลิ่นคาวของกิเลสติดตราคะตอนนั้นไอเวทนาสัญญาเจตนาเอกาตาชีวิตินทร์สีมรดจการที่ผสมกับกิเลสเนี่ยมันติดใจกลิ่นคาวของกิเลสกิเลสมันมีกลิ่นทุกตัวเลยนั้นเวลามันไม่มันไม่ไดติดแค่รส อ, อ, อาหารเนี่ยมันติดกลิ่นคาวของกิเลส แล้วมันจะต้องหากินยังไงก็ได้ที่ได้กินกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นมามันชอบใจนั้นเป็นอย่างนี้และกินคาวของกิเลสมันไม่ไม่อยู่ตัวแค่เวทนาแค่นี้ด้วยนะทำยังไงอย่าเพิ่มรสชาติเก็จะต้องเพิ่มเวทนามากขึ้นเพิ่มเวทนามากขึ้นไอความเห็นตรงนี้มันจะถอนอยังไงเพราะมันติดกลิ่นของกิเลสไปแล้วมิจฉาทิฏฐิมีกลิ่นแรงกว่ากิเลสตัวอื่น ต้องละโดยโสดาปฏิมากเนะี่สักยทิฏฐินี่แหละที่มันฝังแน่นในกระแสขันของสัตว์เนี่ยมันถอนยากถ้ามันได้เห็นอะไรขึ้นมาอย่าลืมนะว่าจากสักยทิฏฐิตัวเดียวเนี่ยกระจายเป็นมิจฉาทิฏฐิหกสิบสองดูสิเนี่ยกว้างขวางขนาดไหนถึงบอกว่าไอ้นี่เนี่ยถ้าหากเราไปเสพถ้าไปเสพมิจฉาทิฏฐิแล้วนะบุคคลแล้วนะ มันไม่ใช่ไปติดบุคคลอย่างเดียวนะมันไปเสพไอตัวความเห็นผิดของตนเองนั่นแหละไอตัวนั้นมันแรงที่สุดเนี่ยไอคนนั้นตายไปแล้วมันยังไม่พอใช่ไหมไอความเห็นมันตายไปไหมความเห็นมันก็ฝังแน่นแล้วมันก็ไปอีกหลายล้านหลายหมื่นพบนี่เป็นอย่างงี้ฉะนั้นมันมีกลิ่นทุกตัวเลยกิเลสกลิ่นคาวของกิเลสเนี่ยคลุ้งไปหมดใช่ไหมราคะก็มีกลิ่นโทสะก็มีกลิ่นแล้วกลิ่นเนี่ยมันมีรสชาติ ถามว่ายอมมาปกติเนื้อเนี่ยมันน่ากินไหมกลิ่นมันเหม็นใช่ไหมแล้วก็เอาหอมเอาตะไคร่เอากระเทียมเอาขา่าเอาขิงเอาของอะไรสมุนไพรไปใส่ดับกลิ่นมันไนงะแล้วก็เอาไปเอาไปต้มเอาไปย่างก็อีกให้มันแต่ที่ไหนได้ก็คือไปเพิ่มมันยังสามารถกินกันได้ ใหม่ๆมันจะอ้วกกันนะคนจะกินเนื้อใหม่ๆในดิบจริงๆเนี่ยนะไม่ไหวเลยอะมันกินอะไรกันไม่รู้เหมือนสัตว์ป่าเหมือนเหมือนเหมือนมักินกันเองเนี่ยนะหนักข้าวหนักข้าวมันมีรสชาติมันไม่ใช่ติดเนื้อเดี๋ยวมันติดกลิ่นของกิเลสเหมือนติดผักเหมือนกันใช่ไหมคนกินผักมันติดเนี่ยไม่ใช่ติดผักนะมันติดกลิ่นของกิเลสที่ไปชอบพระเจ้าบอกว่ากลิ่นดิบจริงๆนะกลิ่นข้าวจริงๆนะอามะคนนั้นแปลว่ากลิ่น ไมว่ากลิน่นกลิ่นที่สัตว์ทั้งหลายติดจริงๆที่พระองค์ทรงตํำหนิก็คือราคะก็เป็นกลิ่นดิบโทสะก็เป็นกลิ่นดิบโมหะก็เป็นกลิ่นดิบมานะก็เป็นกลิ่นคาวนั้นกลิ่นคาวของกิเลสมันจะคลุ้งไปหมดแหละท่านบอกว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยตัวกลิ่นอนนี้มันจะนัถามว่าทําไมพระอริยะก็เหม็นเราคําเหม็นกิเลสในกายในกระแสขันเรา ตอนที่ผ่า น, นอนตอนนั้นยังได้เป็นพระอรหันต์เห็นไหมตอนที่เขาจะทํำผสมสังกยนาท่านเดินผ่านว่าอรหันต์พระอรหันต์ทักขึ้นมาในหมู่ภิกษุสงห้าร้อยลูกมีภิกษุรูปหนึ่งเดินโชยกลิ่นอยู่เข้าใจอ่งเนี่ยเดินโชยกลิ่นของกิเลสเห็นไหมท่านรู้ไหมกระทั่งว่านี่มีกิเลสอยู่ในใจอ่ะนี่แปลว่าอะไร ถ้าพาาระอรหันต์มาตรงนี้ท่านที่ทอ้วกหรืออย่างนี้ยไหมเขาบอกโอ้โหเ ไ, ไม่เหมือนเลยใช่ไมว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอยู่ในกลุ่มนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมราคาโทสะโมหะปิววันในใจตลอดเลยใช่ไหมใช่ทั้งบอกไงบอกว่ากิเลสเหล่านี้มันมีกลิ่นแล้วมันติดเราเนี่ยติดถ้าวันใดวันหนึ่งศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาของเราท่านทั้งหลายนี่นะ เรียกโวยธนาสัญญาเจตนาเอกภพตาชีวิตที่สีมาดับกินถ้าไม่รู้จักกลิ่นของพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณน่ะเข้ามันไม่ติดหรอกแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันยังไปชอบกินเหล่านี้อยู่แสดงว่ามันยังไม่ถึงพุทธคุณนะถ้าถึงพุทธคุณแล้วถามว่าจะได้รสแตกต่างไหมโอ้ยเคยกินอาหารพัทธาคารแล้วไปกินอาหารที่อยู่กับพื้นดินนะ่ะที่สกรกรกแมลงวันหัวเขียวเต็มไปหมดเย็นและต่างกันไหม ต่างกันฟ้ากับดินฟ้ากับเหวตอนนี้เราอยู่กับแมลงวันหัวเขียวคือราคะโทสะโมหะเรายังไม่ได้อยู่กับคุณของพระเจ้าจริงๆไงถ้าวันใดวันหนึ่งเราได้สัมผัสคุณของพระเจ้าเนี่ยเราจะรู้สึกสะอิดสะเอียนราคะโทสะโมหะเพราะมันต้องแตกต่างแน่นอนถามว่าดำกับขาวนี่ชัดไหมกุศลกับอกุศลนี่คือดำกับขาวกุศลต้องขาว แต่นี้เพราะอะไรเรายังปล่อยราคาไหลในใจอยู่เรื่อยแสดงว่าเรายังแยกดาแยกขาวไม่ออกเขา้าใจยังต่นนี้ถ้าแยกออกเนี่ยใครจะอยากให้ดำถ้าบอกว่าอันนี้เป็นน้ำสะอาดน้ำกรองน้ากรันอย่างดีอันนี้เป็นน้ำจากส้วมถ้าจะกินเราจะกินน้ำอะไรก็ต้องกินน้ำสะอาดราคาโทสะโมหะเหมือนน้ำจากส้วม ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนน้ําจากกลั่นมาแต่ทําไมเรากินราคาโทรศัมหาตลอดอ่ะเพราะเรายังแยกไม่ออกว่านี้มันน้ําจากซุ้มอันนี้มันน้ําจากไอ้นนนนที่คขากรองเขากลัน่นถ้ามันแยกออกมาแล้วเนี่ยพอเห็นราคาจะมาเกิดจะอ้วกแทนแล้วจะมัาไม่เอาแ ล, ล้วกินอย่างเงี้ยกลิ่นก็เหม็นสีก็ไม่ชอบใจใช่ไหมรสก็ไม่อร่อยสัมผัสก็หยาบแล้วก็ทางด้านจิตใจก็ไม่น่ามันจะสียอิสเอียนอกุศล มันจะแยกออกถ้ายัางโหเห็นกรรมาคุณนะวิ่งโผก็หากันเลยเนี่ยเนาะไม่ได้เรื่องแล้วแต่เนี้ยเหมือนบางคนเนี่ยเห็นอกุศลไม่ได้เห็นกรรมมาคุณไม่ได้วิ่งก็หาโอ้โหไม่เห็นตั้งนานคิดถึงแทบตายไปแล้วแต่เนี้ยโอยยุย่งเลยใช่ไหเนี่ยทําไมไม่น้อมหาคุณของพระเจ้าแรงอย่างนั้นล่ะเพราะอะไรเพราะเรายัางแยก กลิ่นของพุทธคุณธรรมคุณพอยะมองออกไหมยมเนี่ยถ้าถ้าแยกออกอนี้อย่างนี้ชัดแล้วอย่างนี้มันจะชัดเจนนี่เขาเรียกก็แยกให้ออกอา้าวถามอีกปัญหาหนึ่งในเวลาที่ราคะเกิดเนี่ยจะทำยังไงฮะสงบกลิ่นของราคะตัวนี้อ๋อเขาให้วิจยัยอย่างนีน้พระเจ้าสอนไว้ถ้าใครอยากดูรายละเอียดไปดูในโทเยทาวิตตะกศ ในมชิมันิกายในทเวทาวิตากรสูตรพระพมศาสดาตรัสไว้เลยบอกว่าเอ อ, เ อ, อในวิตากาศสันฐานสูตรเข้าไป น, น, นั้นด้วยนะดูสองสูตรนี้ติดกันเห็นชัดพระจะาสอนวิธีระงับเวลาราคาเกิดขึ้ น, นก็คือว่าเปลี่ยนนิมิตเพราะราคาเนี่ยจะติดใจในของงามของสวยของดี ของประเสริฐของปณิย์ใช่ไหมก็เปลี่ยนนิมิตคือเปลี่ยนนิมิตให้เป็นไม่สวยไม่งามไม่ดีทีนี้คําว่าเปลี่ยนนิมิตเนี่ยยกตัวอ ย, อย่างเช่นว่าการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนสองลักษณะนะกรณีที่เราท่านทั้งหลายใจที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงก็เปลี่ยนเป็นนิมิตที่ไม่งามตรงกันข้ามเลยนะแต่ถ้าคนที่เขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาดูสิ่งนั้นเขาเปลี่ยนนิมิตเลยสมมติเอา ม, ามองโยมปุ๊บแล้วความสวยงามมาปรากฏในใจออกมา อามาก็มองโยมต่อเลยแต่มาเปลี่ยนนิมิตในใจออกมาวิจัยเลยใช่ไหมผมจะไม่ดิ่งามขนงามเล็บงามฟันงามหนังงามเอ็นงามกระดูกงามงามยังไงใช่ไหมตางามออกก็ขี้ตาใช่ไหมก็ไปที่ไหลออกก็ขี้ตาใช่ไหมอุจจาระไหลออกมาจากตาตลอดเนี่ยหูก็มีอุจจาระไหลออกตลอดใช่ไหมจมูกก็มีอุจจาระไหลใช่ไหมแล้วก็ในปากก็มีอุจจารนะนั่นก็คือนั่นแหละ ก็เลต็น้ําลายทวารหนักทวารเบ า, าเป็นที่ไหลออกของของไม่สะอาดแล้วก็ตําหนิตัวเองได้โอ้แล้วทั่วกราชกายทั้งสิ้นเนี่ยก็มีตัวเหงื่อใครก็คือตัวอุจจาระของไม่สะอาดมันเยิ้มอยู่ตลอดเป็นที่ดํามิลเป็นที่ชอบใจของคนพานเป็นอย่างมากคนพานเห็นแล้วก็ชื่นใจใช่ไหมชอบใจ แต่ในสายตาของภารยายีในสายตาของผู้ไข่ควรบทพิจารณาดูแล้ววะผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอุจจาะปัสวะเต็มไปหมดในนั้นมีกระแสของโลหิตเต็มไปหมดน้ำเลือดน้ำหนองไขมันเยิ้มไปหมดใช่ไหมในกระแสขันทําไมเรามาชอบสิ่งที่มันงามแบบนี้ น, นการวิจัยการไข่ครัวนี้ยอสุภะนิมิตก็จะปรากฏในใจเเห็นไหมอ๋อเป็นที่ดำหลีของคนพาลคนพาลชื่นชมยิ่งนักขนาดมีชีวิตอยู่ก็พาชื่นชมพากันทนุทะนอมตายไปแล้วก็กลายไปเป็นหนอนบางเป็นแมลงวันหัวเขียวบางเป็นสุนัขบ้านสุนัขยิ่งจอกลุมทึ้งลุงกัดลุมกินเห็นไหมพิจารณาโอ้ที่เป็นคนพาล น, นี่เป็นมนุษย์ก็ดำหลีไปในเรื่องกายที่ไม่งามว่างาม แหนตายไปแล้วก็ไปเป็นอบายศัสตร์ไปยั่วเยี่ยในสิ่งที่มันไม่งามน่าสะอิดสะเอียนนะเนี่ยพิจารณาอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่า อ, าอาสุภานิมิตปรากฏไหมยอย่างนี้ก็ละคายถ่ายถอนก็เจริญศสิขาสามบอกไม่ลหลงไหลในกายนี้อีกต่อไปแล้วอีกนิดหนึ่งมันมีมันมีข้อมูลการการไข่ควรและกลัวอะไรใช่ไหมใช่จะมีข้อมูลการวิจัยการไข้ครว ร, ร, รแต่ไม่ใช่วิจัยเพื่อไปโกรธวัตถุนี้ วิจัยให้เข้าใจความจริงใช่ไมเหมือนนางอัมปปาลีคณิกาเทลีที่ตอนที่ท่านดำลีว่าพระบรมศาสตร์แต่ก่อนท่านบอกว่ า, างั้นแต่ก่อนเนี่ยจ่ามโมกของเธอเนี่ยงอนช้อยงดงามมากใช่ไมแต่ก่อนเป็นสาวงามมากประเดี๋ยวนี้บอกว่าคดอย่างหอระดานะคือว่าแฟบด้วย จะหมูกจากโด่งอย่างงามเลยนะนะ่เข้าก็คือแฟบเพราะแก่ตัวไปมันก็แฟบหมดใช่ไหมพระดำหลัดของพระบรมศาสดานี่จริงแท้ไม่แปรผันเธอก็พัลนากายเธอทุกจุดเลยแต่ก่อนหูตาเนี่ยหวานเยอะหมดหูเดี๋ยวนี้ลึกอย่างกับลึกอย่างกระดวงจันเลยอ่ะอยัางกระดวงจันที่ยายันข้ามแลงอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเธอก็พัลนาหูแต่ก่อนนี้นะ บอกว่าทันทั้งสองของของนางเนี่ยแต่วตกรแต่งตึงปัจจุบันเนี่ยโอโ้โหยานอย่างก็บไออะไรเลยใช่ว่างั้นยานอย่างกระถุงหนังอย่างถุงหนังห้อยติดหน้าอกอยู่ท้งนั้พระดํารัสของพระบรมศาสดานี้จริงแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น น, นี่เห็นไหมก็ก็ก็ละคลายถ่ายถอนน เ, เห็นว่าพระธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะพอกพูนปัญญาหมดเลยแล้วก็ถอนราคาโทรศัพท์มหอถนี่เป็นยังไง เพราะฉะนั้นต้องศึกษาจะได้มีข้อมูละะถ้าไม่ศึกษา<ค>จะวิังวิจัยยังไงก็ไปนั่งงามเงามงามเรียบร้อยเลยใช่ไหมเรียบร้อยเลยก็การวิจัยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งนี้น้่เข้าเนะีเข้าก็รู้ความจริงของของกระแสของชีวิตไม่มีใครถามเลยเนาะไม่ค่ ะ, คะถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ประเสริฐยิ่งนะคะ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 อันเนื่องด้วยพวกเราอาจจะมีการร่วงในกายกรรมเมจีกรรมมโนกรรมซึ่งจะเป็นโทษเป็นภัยต่อตัวเราเองเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งเจตนาอันเป็นกุศลอันตั้งมั่นกล่าวขอขมาพระรัตนตรยัยด้วยบทกาเยนาพร้อมกันค่ะกาเยนาวาจายวาเจตาสาวาพุเทกุกรรมมังปะกตังมายายัง พุโทโธปฏิคันหาตุอัญเชยันตังการันตะเลสังรวิตุวะพุทเทกาเยเณวาจายวเจตสาวาธรรมเมกุกรรมมังปกตังมยายังธรรมโมปฏิคันหาตุอัจเชยันตังการันตะเลสังรวิตุวะธรรมเมกาเยเณวาจายวเจตสาวา สังเคขุกรรมมังปกตังไมายายังสังคโคปฏิคันหาตุอัจยันตาัาการันตะเลสังลาวิตุมวสังเีกลากลากล า, าพวกเราน้อมเจตนานะคะเสมือนหนึ่งว่าเรากำลังถวายปัจจัยที่เหมาะควรแก่สมณะบริภโด้วย้มือเราค่ะสาธุสาธุสาธขอโมทนาด้วยนะขอให้มีความสุขตอนก็ กันไปพึ่งปฏิบัติเรียนตามสถานของเรือามีโอกาสก็ค่อว่ากัน